ความสำคัญและขอบเขตการใช้อปมาท ธ, ธรรมในการปฏิบัติจริยธรรมขั้นต่างๆจะเห็นได้จากพุทธพจน์ตัวอย่างต่อไปนี้ในประทาสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวักมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์บกทั้งหลายชนิดใดๆก็ตามย่อมลงในรอยเท้าช้างไดทั้งหมดรอยเท้าช้างเรียกว่า เป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นโดยความใหญ่ชันใดกุศลธรรมทั้งหลายอย่างใดๆก็ตามย่อมมีความไม่ประมาทเป็นมูลประชุมลงในความไม่ประมาทได้ทั้งหมดความไม่ประมาทเรียกได้ว่าเป็นยอดของธรรมเหล่านั้นชั้นนั้นในอังคุตรนิกายเอกนิบาตอีกหลายแห่งก็มีพุทธพจน์ในเรื่องอัปมาธรรมดังนี้เช่นว่า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 ที่เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นไม่เสื่อมสูญไม่อันตรทานแห่งสัตรรมเหมือนความไม่ประมาทเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักข้อหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความไม่ประมาทเลยแม้ปัจฉิมวาจาคือพระดำรัสครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้าเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพาน เป็นพระดํารัสในเรื่องอั ป, ปมาต ธ, ธรรมดังนี้สิ่งทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นย่อมมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ที่มุ่งหมายให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทในอั ป, ปมาตสัมปทาโสที่หนึ่งที่สองอั ป, ปมาตโสที่หนึ่งและพระสูตรต่างๆในอั ป, ปมาตวรฏสั่งยุตตนิกายมหาวารวัฏ ก, ก็มีพุทธพจน์ รวมความได้ว่าเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตชั้นใดความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกามักแก่ภิกษุชั้นนั้นทาเอกที่มีอุปการะมากเพื่อการเกิดขึ้นของอริยอัสดางคิกามัก ก็คือความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเราไม่เล็งเห็นถึงทำอื่นแม้สักอย่างที่เป็นเหตุให้อริยะอัสดางขิ้กะมักซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรืออริยะอัสดางกิ้กะมักที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเจริญเต็มบริบูรณ์เหมือนอย่างความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี้เลยภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังสิ่ง น, นี้ได้คือเธอจกเจริญจะกระทาให้มาก ซึ่งอริยอัสดางกิกรรมกในอัปมาทะสูตรอังกุตระนิกายจาตุกนิบาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสร้างอัปมาทะโดยฐานะสี่คือหนึ่งจงละกายทุจริตจงเจริญกายสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 2. จงละวจีทุจริต จงเจริญวจีสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 3- จงละมโนทุจริตจงเจริญมโนสุจริตและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้น 4- จงละมิจฉาทิฏฐิจงเจริญสัมมาทิฏฐิและจงอย่าประมาทในการทั้งสองนั้นในเมื่อภิกษุลกายาทุจริตเจริญกายาสุจริตละวจีทุจริต จเจริญวจีสุจริตละมะโนทุจริตจเจริญมโนสุจริตละมิจฉาทิฐิจเจริญสัมมาทิฐิแล้วเธอย่อมไม่หวาดกลัวต่อความตายที่จะมีข้างหน้าในอารักขสูตรอังคุตรนิการจะตุการิบาตมีพุทธพ์ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรสร้างอัปมาทะคือการรักษาใจด้วยสติโดยตนเอง ในฐานะสคือหนึ่งจิตของเราอย่าติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจ 2. จิตของเราอย่าขัดเคืองในธรรมที่ชวนให้เกิดความขัดเคือง 3. จิตของเราอย่าหลงในธรรมที่ชวนให้เกิดความหลง 4. จิตของเราอย่ามัวเมาในธรรมที่ชวนให้เกิดความมัวเมา เมื่อจิตของภิกษุไม่ติดใจในธรรมที่ชวนให้เกิดความติดใจเพราะปราศจากราคะแล้วไม่ขัดเคืองไม่หลงไม่มัวเมาแล้วเธอย่อมไม่หวาดเสียวไม่วันไหวไม่ครั่นคร้ามไม่สะดุ้งและไม่ต้องเชื่อถือแม้แต่เพราะถ้อยคําของสมณะในปฐมอัปมาทสูตรสังยุตตนิยสคาถวรตพระเจ้าประสณธิโกศล ทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีบ้างไหมทำข้อเดียวที่จะยึดเอาประโยชน์ไว้ได้ทั้งสองอย่างคือทั้งทิฏฐธรรมิกะทะและสัมปรายิกะทะคือทั้งประโยชน์บัดนี้หรือที่ตาเห็นและทั้งประโยชน์เบื้องหน้าหรือที่เลยตาเห็นพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามีพระเจ้าปเสนทิโกสลทูลถามว่าทำนั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าทำนั้นคือความไม่ประมาทในทุติยะอ ป, ปะมาทสูตรสั่งยุตานิกายสคาทวรตพระพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าประสเธิโกศลอีกว่าดูกระมหาบพิษทำที่เรากล่าวไว้ดีแล้วนั้นสําหรับผู้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเป็นที่คบหาหาใช่สําหรับผู้มีปาปมิตร ผู้มีปาปะสหายผู้มีปาปะชนเป็นที่คบหาไหม่ความมีกัลยาณมิตรนั้นเท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะเหตุนั้นแหลมหาอวพิธพระองค์พึงทรงสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณสหายมีกัลยาณชนเป็นที่คบหาพระองค์ผู้ทรงมีกัลยาณมิตรนั้น จะต้องทรงดำเนินพระจริยาอาศัยธรรมข้อนี้อยู่ประการหนึ่งคือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ประมาทดำเนินพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่พวกฝ่ายในเหล่าขัตติยบริวารปวงเสนาข้าทหารตลอดจนชาวนิคมชนบทก็จะพากันคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ไม่ประมาท ทรงํำเนรนพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทถึงพวกเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทจะเป็นอยู่ด้วยอาศัยความไม่ประมาทด้วยดูกระมาบพิษเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ไม่ประมาททรงํำเนรนพระจริยาอาศัยความไม่ประมาทอยู่แม้ตัวพระองค์เองก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษาแม้พวกฝ่ายไหนก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา ตลอดจนแม้ยุ่งฉางพระคลังหลวงก็เป็นอันได้รับการคุ้มครองรักษา